แต่ท่านผู้ทรงพระอันประเสริฐพระสุมณะกล่าวต่อไปหลังจากข้าพเจ้าคล้อยหลังให้กรุงราชคลึกมุ่งหน้าสู่ตั ก, กศิลาไปไม่นานนักบิดาของข้าพเจ้าก็ล้มป่วยลงและสิ้นชีวิตด้วยโรคปัจจุบันมิใช่แต่เท่านั้นปัตมาได้ทราบว่าข้าพเจ้าเดินทางไปหาคนรักที่ตักศิลาข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเธอรู้เรื่องนี้ได้โดยวิธีใด เธอเศร้าโศกเสียใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนเธอหลงรักข้าพเจ้าอย่างสุดที่จะถอนได้ในขณะที่ข้าพเจ้ากําลังใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องคิดอะไรอยู่ทางเวสาลีและอุเทนีนั้นปัทมากําลังล้มป่วยลงด้วยความตรอมใจเธอตั้งความหวังไว้ในข้าพเจ้ามากเกินไปในที่สุดปัทมาผู้น่ารักก็สิ้นชีวิตลงอย่างหมดหวัง เธอไม่ยอมฟังเสียงของบิดาที่พยายามชี้แจงให้เธอเข้าใจว่าชายที่ดีงามเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติในกรุงรัชคลึกและต้องการปัถมาอยู่ก็มีมากเธอคงหักห้ามความเศร้าไว้ไม่ไหวก่อนสิ้นชีวิตโคบินได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเธอกคร่ำครวญถึงข้าพเจ้าตลอดเวลาภาพของปัถมาในขณะป่วยหนักนั้นทาให้ทุกคนต้องเบื่นหน้าไปกรีดน้ำตา สมทัตถ์ถึงกับร้องไห้โฮอย่างเด็กเพราะเธอมีน้องสาวอยู่คนเดียวเท่านั้นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่คนทุกๆฝ่ายอย่างน่านิยมชมชื่นก็คือโควินเวลานั้นสถานพยาบาลของข้าพเจ้าไม่มีเรื่องต้องรักษาคนป่วยแล้วมีก็แต่โควินไดอาราธนาพระภิกษุมาอบรมสั่งสอนประชาชนในบางครั้งเท่านั้นเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลว เพราะความเหลวของข้าพเจ้าคนเดียวพระดาเอย๋ยข้าพเจ้าเป็นผู้ชายที่มีใจทรหดอดทนพอควรแล้วเมื่อประสบปัญหาหัวใจแบบหนักๆเข้ายัางต้องวิ่งวุ่นแท่เป็นบ้าก็แล้วดวงใจน้อยๆของปัตมาจะทนไหวหรือเธอตายพร้อมด้วยความสลายแห่งหัวใจที่โชอกช้ำระบมคนที่ตรอมใจจนตายนั้นเป็นภาพที่น่าสลดที่สุด ความทุกสองทับสามซ้อนโถมโลงบนหัวใจของข้าพเจ้าเวลานั้นความวิตกกังวลถึงจันทิมาหมดเกลี้ยงเหมือนปลิดทิ้งไปแล้วเหลือแต่เสียดายชีวิตของบิดาและเศร้าใจในมรณกรรมของปัทมาเป็นที่สุ ด, ดนักครแห่งศิลปศาสตร์ตะกศิลานั้นมันมีอาถรรพ์อะไรสำหรับข้าพเจ้าครั้งแรกข้าพเจ้ากลับจากตกศิลา มารดาได้สิ้นชีวิตไปแล้วหนึ่งคราวนี้กลับจากตะกศิลาอีกบิดาตายไปหนึ่งและยังแถมทายเอาปัมมาซึ่งมีหัวใจผูกพันอยู่กับข้าพเจ้าไปเสียอีกด้วยบรสุมชีวิตครั้งนี้ใหญ่หลวงนักนำเอาความเศร้าสลดมาสูหมู่ญาตและมิสหายอย่างเหลือจะพันน า, นาหัวใจของข้าพเจ้าแห้งผาก ร้อนระอุเหมือนศิลาที่วางไว้กลางแดดในยามเที่ยงวันมิตรที่ดีที่สุดของคนทุกคนในเวลานี้คือโควินเขาปลอบใจข้าพเจ้าชี้ทางแห่งเหตุผลจนข้าพเจ้าคลายความโศกลงได้บ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถาแต่ท่านผู้สแสวงหาสันติวรบทเขาพเจ้าได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วว่าวิชาความรู้ของเขาพเจ้านั้นสู้ของโควินไม่ได้ความรู้ของเขาพเจ้ามีไว้ช่วยคนอื่นแต่ช่วยตัวเองไม่ได้แม้จะช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยที่ปลายเหตุเสียแล้วมันแก้ไม่ถึงต้นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนเขาพเจ้าและโควินเดินทางไปสู่เวรุวรรณารามตามที่ท่านอาจารย์ของเขาพเจ้าเคยบอกไว้ กัปปเจ้าต้องการแก้ปัญหาชีวิตอันแสนจะยุ่งยากนี้ให้สิ้นเสร็จเด็ดขาดลงไปเลยทีเดียวหมู่บ้านที่กัปปเจ้าอาศัยอยู่นั้นแม้จะอยู่ในเขตราชคลึกแต่ก็ห่างจากเวรุวนารา ม, มากเมื่อเดินทางไปถึงได้ถามหาพระเถระตามที่ท่านอาจารย์เคยบอกไว้ท่านผู้เจริญท่านนาระทะเป็นพระภิกษุที่สง่างามมีลักษณะกริยาแสดงอย่างชัดแจ้งว่า เป็นผู้คงแก่เรียนมีความรู้สูงและจิตใจสงบเยือกเย็นก่อความเลื่อมใสให้เกิดแม้ครั้งแรกที่ได้ทัศนาพูดจานิ่มนวลกระรื่นหูชวนฟังประกอบด้วยอัดด้วยธรรมตลอดท่านน่าจะอยู่ในวัยเพียงสี่สิบห้าเท่านั้นแต่เหตุฉไนาอาจารย์ของข้าพเจ้าที่ตากศิลาจึงกล่าวกับข้าพเจ้าว่าท่านนารา ะ, ะผู้นี้เป็นอาจารย์ของท่านเหมือนกัน ซึ่งอาจารย์อยู่ในวัยถึง60หรือหย่อนกว่านี้ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าก็หายสงสัยเมื่อโควินได้แนะนํข้าพเจ้าแล้วอ้างถึงอาจารย์ของข้าพเจ้าและเรียนท่านว่าอาจารย์ที่สา ป, ปาโมกผู้สอนวิชาแพทย์ของสุมานณะได้เคยสั่งไว้ว่าถ้ามีโอกาสให้มาหาท่านผู้เจริญที่เวรุวันนี้สักครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยอาจารย์จันทเวช เคยศึกษาธรรมกับอัตมาอยู่สมัยหนึ่งเป็นคนเข้าใจธรรมและตั้งใจประพฤติทธรรมดีทนาระะตัตห์ตอบเปร ย, ย์แล้วหันมาถามข้าพเจ้าว่ามานพเธอศึกษาวิชาแพทย์อยู่กับอาจารย์จันทเวทหลายปีหรือห้าปีพระคุณเจ้าข้าพเจ้าตอบวิชาแพทย์นะ่ะเป็นวิชาที่ดีที่สุดในบรรดาวิชาการทางโลก มีไว้สำหรับช่วยคนอื่นพระคุณเจ้าช่วยตัวเองไม่ได้หรือเมื่อความทุกข์ทับถมมันตรงมาทางใจเลยทีเดียวยังแก้ทุกข์ไม่ได้ต้องวิ่งวุ่นเดือดร้อนกังวลมากมายวิชาแพทย์ที่เรียนมาเลยหมดความหมายเมื่อถึงคราวต้องแก้ทุกข์ทางใจสุมาณะท่านพูดชา้าๆแต่มีน้ําเสียงจ่ำใสหน่าฟังอันที่จริง ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ต้องแก่ก็พระเจ้ามึนงงต่อคําพูดของท่านแต่โควินยิ้มแสดงว่าเขาเข้าใจแต่กับเจ้าไม่เข้าใจเลยจึงกราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าโปรดอธิบายด้วยเถิดกับเจ้าไม่เข้าใจส ม, มุนะเธอเป็นหมอเมื่อมีคนไข้มาให้รักษาเธอตรวจรู้แล้วว่าเป็นโรคอะไรเธอประกอบยาเพื่อดับโรค เพื่อทำลายสาเหตุของโรคเมื่อค้นหาสมุดฐานรู้แน่แล้วก็ประกอบยาเพื่อทำลายเหตุที่ให้เกิดโรคพระคุณเจ้าโรคต้องมีสมุดฐานใช่ไหมใช่พระคุณเจ้าคว า, ม, คามทุกข์ก็เหมือนกันแหละส ม, มุนนะมันมาจากเหตุตัวความทุกข์นั้นเป็นผลเสียแล้วเราต้องดับทุกจึงต้องดับที่เหตุก็อะไรเล่าพระคุณเจ้าที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ อันนี้ต้องพูดเป็นรายๆไปและแล้วแต่ความทุกแบบไหนเหมือนสาเหตุของโรคมีมากมายแล้วแต่ชนิดของโรคตามที่สมมติเรียกกันแต่เมื่อกล่าวโดยย่อมูลเหตุของความเจ็บป่วยก็มีเพียงสองใช่หรือไม่ถูกแล้วท่านผู้เจริญคือโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อต่างๆประการหนึ่งและโรคที่มีสาเหตุมาจากกลไกแห่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติอีกประการหนึ่งดูก่อนสุมณนะความทุกทั้งมวล น, นั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงโดยสรุปว่าเรื่องมาจากความดิ้นรนซึ่งมีสามลักษณะคือดิ้นรนอยากได้หรือดิ้นรนเพื่อจะเอาสิ่งที่ตนปรารถนาประการหนึ่งดิ้นรนเพื่อจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งประการหนึ่งดิ้นรนเพื่อจะผลัก เพื่อถอยหนีสิ่งที่ตนเบื่อหน่ายไม่ปรารถนาประการหนึ่งรวมความว่าอยากได้นี่คือกามตัณหาอยากเป็นนี่คือภวะตัณหาอยากผลักนี่คือมิภวะตัณหาเพราะความดิ้นรนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้แหละสุมณนะจึงทําให้จิตใจของคนกระแทกกระทันกับความสมหวังผิดหวังอยู่เสมอแต่ผิดหวังเสียแหละมากกว่า เมื่อสมหวังก็สยบติดอยู่เพลิดเพลินหลงไหลมัวเมาประมาทเป็นเหตุให้กอ่อกรรมทำชั่วแล้วลงท้ายด้วยความทุกข์อีกเมื่อผิดหวังก็ระทมขมขื่นกระบนกระวายอันถือเป็นความทุกข์อยู่ในตัวแล้วถ้าใจไม่ดิ้นรนหยุดความอยากมีประเภทต่างๆเสียได้ระ ง, งับความกระหายอันไม่มีที่สิ้นสุดเสียได้จิตใจก็ก้าวลงสู่ความสงบและมีความสุขอย่างเยือกเย็น สุมณนะความสุขที่ได้รับจากความสมหวังเพียงครั้งคราวแล้วดับความต้องการความปรารถนาได้นั้นเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนจริงอยู่ยิ่งปรารถนามากอยากมากเมื่อสมอยากก็รู้สึกชุ่มชื่นรื่นเริงใจเหมือนคนกระหายน้ำจัดขอแห้งผากเมื่อได้ดื่มน้ำรู้สึกมีความสุขไปครั้งหนึ่งไม่นานนักก็อยากอีก แล้วต้องวิ่งวุ่นหาน้ำอีกกับอีกคนหนึ่งไม่กระหายไม่ต้องวุ่นวายเพราะเรื่องน้ำจะมีหรือไม่มีเมื่อเขาไม่กระหายแม้เห็นคนอื่นดื่มน้ำอย่างอร่อยอร่อยก็ไม่รู้สึกอยากจะดื่มอะไรนี่เป็นอุปมาให้มองเห็นง่ายๆเท่านั้นสุมมนะแต่การดื่มตัณหามันกระหายมากกว่าการเปรียบด้วยการต้องการน้ำตามธรรมดาของร่างกาย การสแสวงหาอารมณ์อันน่าใครของจิตมาบำรุงบำเรอตนนั้นไม่รู้จักอิ่มจักเบื่อยิ่งได้มากยิ่งอยากใหญ่ต้องเปรียบด้วยการดื่มน้ำเข็มทีเดียวจึงจะถูกต้องตรงตามความหมายเพราะยิ่งดื่มยิ่งกระหาย สุมาณะเอยอยันความกระหายคือตัณหานั้นทําให้สัตว์ทั้งหลายดื่มดําล้ําลึกลงไปในกระแสคลื่นแห่งน้ําเค็มคืออารมณ์ต่างๆแล้วลอยคออยู่ในทานน้ําเค็มนั้นเพราะอาศัยครื่องล่อคือความเพลิดเพลินในการาตัณหาความทยานอยากทรัพย์สมบัติเสียงสรรเสริญเยินยอชื่อเสียงเกียรติคุณความเด่นนนหมูคนะ่คณะชัยชนะที่ตนปรารถนา ความรักอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใจที่อยู่อาศัยอันสวยหรูความภาคภูมิในชาติเชื้อตระกูลวงความหลงไหลในอารมณ์ปัจจุบันและความดิ้นรนขนขวายเพื่อมีชีวิตอยู่และแล้วบาป ท, ทั้งหลายก็ลังไหลมาเพราะความดิ้นรนนั้นตัณหาจึงเป็นเหตุของความทุกข์โดยการมองอย่างกว้าง และเป็นการครอบกลุ่มเอาความหมายต่างๆไว้โดยครบถ้วนความทุกข์ซึ่งเป็นผลของตัณหานั้นเป็นภัยใหญ่ซึ่งเป็นที่สะึงกลัวของสัตว์ทั้งหลายยิ่งนักแต่สุมาณะเอ๋ยมนุษย์เราถลงตั้งใจเสียอย่างเดียวว่าจะสแสวงหาความรู้จากเหตุการณ์ต่างๆให้แก่ชีวิตและดวงใจแล้วจะไม่มีอะไรมาทำให้เขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย เขาจะมองความทุกข์เป็นความรู้ความฉลาดจนเห็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาไปการตัดตัญหาได้โดยไม่เหลือการสละตัญหาโดยไม่มีเยื่อใยนั้นแหละคือความมอดลงแห่งกองทุกข์เหมือนกองไฟอันหมดเชื้อจะค่อยๆมอดลงทีละน้อยจนดับสนิทเป็นความเย็นรู้ก่อนสุมณนะทางปฏิบัติที่จะถึงความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกข์นั้น หรือแห่งเหตุแห่งทุกนั้นพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบได้ตรัสบอกไว้แล้วนั่นคือมัสมีองแปดคือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบการตั้งสติชอบและการตั้งใจชอบ ซึ่งทั้งหมดรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาและด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญานี่เองจะทำให้จิต ด, ดิ่งลงสู่ความสะอาดสงบและสว่างสะอาดด้วยน้ำคือศีลสงบด้วยพลังสมาธิและสว่างด้วยประทีปคือปัญญาผลที่ตามมาคือความหลุดพ้นของดวงจิตไม่เกี่ยวกาะด้วยตัณหาอุปาทานความทุกข์ใจทั้งมวลก็ดับลง พัทงทลายลงเหมือนฐานเจดีถูกรื้อแล้วองค์เจดีทั้งหมดก็พังลงฉะนั้นดูก่อนสุ ม, มณะความยึดถือว่าเราของเราเป็นการทําที่เกาะให้กิเลสการทําลายความยึดถือว่าเราว่าของเราเป็นการทําลายที่เกาะของกิเลสเหมือนทําลายที่เกาะของนกเมื่อ น, นกไม่มีที่เกาะที่กุมไม่มีที่พักผ่อนมันก็จะบินจนเหนื่อยตายไปเองดูก่อนสุ ม, มณะ พระผู้มีพระภ า, าคทรงแสดงไว้แล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสทธพะธรรมรมตาหูจมูกลิ้ น, ก า, า ก, นกายใจที่บุคคลเขาไปยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรานี่เองเป็นที่เกาะแห่งตัณหาอุปาทานเมื่อตัณหาอุปาทานจะเกิดย่อมเกิดเพราะอาศัยตัวตนที่เราก็าไปยึดถือนี้ดูก่อนสุมณนะ โดยความเป็นจริงแล้วตัวตนนั้นไม่มีแต่พระผู้มีพระภาคทรงเรียกตามบัญญัติของโลกเท่านั้นข้าแต่พระคุณเจ้าเมื่อตัวตนไม่มีแล้วจะสอนให้ยึดถือในตัวตนเพื่ออะไรเล่าเหมือนเมื่อเสือไม่มีจะประโยชน์อะไรในการสอนให้ยิงเสือสุ ม, ม น, นะพระกล่าวแล้วว่าคำว่าตัวตนนั้นเป็นคำที่พระผู้มีพระภาค พอยเรียกตามที่ชาวโลกเขาสมมติเรียกกันเพื่อให้ชาวโลกเขาฟังรู้เรื่องเข้าใจทั้งนั้นถ้าจะถือว่าตัวตนไม่มีโดยปรามัตดพระผู้มีพระภาค ก, ก็ทรงสอนให้ละความยึดถือตัวตนตามที่ชาวโลกเขาสมมติเรียกกันนั่นเองนอกจากนี้พระพุทธองค์สอนว่าสิ่งใดที่เรายึดถืออยู่ให้ละสิ่งนั้นเสียและไม่ว่าสิ่งนั้นชาวโลกนั้นเขาจะเรียกกันว่าอะไรก็ตามเถิด ทั้งนี้เพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นบอ่อเกิดแห่งความทุกข์เป็นทางตามมาแห่งความเศร้าโศกให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระองค์ทรงสแสดงธรรมเป็นเหมือนพ่วงแพรซึ่งพุทธบริษัทจะต้องละทิ้งเมื่อถึงฝั่งแล้วจะยึดจะติดอยู่อีกไม่ได้ไม่จาเป็นจะต้องแบกแพขึ้นไปบนบกด้วยพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราสอนให้ละเสียแม้ซึ่งธรรมะจะป่วยการกล่าวไปยหยถึงอธรรมเล่าที่สุทั้งหลายเราแสดงธรรมอันเปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเป็นไปเพื่อความรื้อถอนเพื่อความสลัดออกไม่ใช่เพื่อความยึดมั่นถือมั่นข้าแต่พระกุนเจ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุไรจึงสอนให้ละแม้ธรรมะ ก็พระองค์ทรงสอนให้พระพตท ธ, ธรรมให้ยึดธรรมะเป็นที่พึ่งมิใช่หรือเมื่อละธรรมะเสร็จแล้วจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเล่าสุ ม, ม น, นะปัญหาข้อนี้ของเธอดีมากอาตมาขอตอบด้วยอุปมาเดิมแต่จะถามย้อนเธอให้ตอบก่อนคือบุคคลเมื่อจะข้ามฝั่งโดยใช้เรือหรือแพเป็นที่พึ่งให้ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและการจมน้าตาย เมื่อยังไม่ถึงฝั่งเขาควรจะทิ้งเรือหรือแพหรือไม่ไม่ควรทิ้งเลยพระคุณเจ้าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาจะเป็นอันตรายโดยสัตว์ ร, ร้ายหรือจมน้ำตายในถ้ำกลางมหาสมุทรเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เขาจะยึดเรือหรือแพไว้จนกว่าจะถึงฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วล่ะก็ต้องทิ้งไว้ไม่ควรจะแบกขึ้นไปด้วยทาไมจึงเป็นอย่างนั้น เพราะจะทำให้หนักและเหนื่อยเปล่าสุมาเเอยมนุษย์ในโลกนี้ที่ยังเกลือกลัวอยู่ด้วยกิเลสก็เหมือนบุคคลที่อยู่ในทะเลยังไม่ถึงฝั่งคือพระนิพพานเขาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาเรือหรือแพคือธรรมะไว้เพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในธรรมนั้น ซึ่งเปรียบได้กับการทิ้งแพลเอาไว้ที่ฟังนั่นเองนี่แหละคือความหมายที่พระองค์ตรัสว่าเราสอนให้ละเสียแม้ซึ่งธรรมะจะป่วยการกล่าวไปยายถึงอธรรมเล่านอกจากนี้พระองค์ยังสอนมิให้ยึดมั่นถือมั่นแม้ในนิพพานซึ่งเป็นอุดมคติสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระองค์เคยตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย แม้แต่ถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองหรือชัดซึ่งนิพพานตามความเป็นนิพพานรันรู้แล้วก็ไม่ทำความหมายมั่นซึ่งนิพพานไม่ทำความมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเราไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงในนิพพานข้อนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าความเพลิดเพลเินเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์เพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงบรรลุอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไปปราศไปสลายไปทายถอนไปโดยประการทั้งปวงท่านผู้เจริญแม้ธรรมะจะลึกซึ้งลงตามลำดับลำดับท่านนาร ะ, ะก็สามารถชี้แจงให้กับเจ้าเข้าใจได้โดยตลอดท่านมีอุปมาอุปไมยที่เชียบแหลมคมคายสามารถทำผู้ฟังให้เห็นจริง ให้อาจหารรื่นเริงในการที่จะปฏิบัติสำหรับโควินนั้นเขาเข้าใจได้โดยง่ายเพราะคุ้นกับทางนี้อยู่แล้วข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใรใจของข้าพเจ้าจึงเบาสบายความทุกข์อันหนักอึ้งเมื่อก่อนมาพบทนระรธะไม่ทราบมันหายไปไหนหมดโอ้นี่แลหละนอพุทธานุภาพธรรมานุภาพ และสังขานุภาพช่างมีคุณเป็นอัศจรรย์เสียจริงและหลังจากนั้นไม่นานนักชีวิตของข้าพเจ้าก็เข้ามาอยู่ในรัศมีแห่งพุทธจักรอย่างแท้จริง